12. ถ้ามีความอยากจะทําอย่างไรคือมองที่กิเลสเรานะพอความอยากหรือกิเลสดับลงไปจริงทีนี้เหลือเหตุผลแล้วสมควรไปก็ไปเราจะใช้ชีวิตด้วยเหตุผลไม่ใช่ด้วยอยากเมื่อเรามีสติขึ้นมานะอันนี้เป็นธรรมะที่จะอยู่กับโลกคนในโลกถูกกิเลสสั่งให้ทําโน่นทํานี่ทั้งวันชีวิตนี้เหนื่อยกว่าที่ควรจะเป็นเยอะเลย ลำบากดิ้นรนอยากได้โนนได้นี่แล้วดิ้นทำมาหากินแทบเป็นแทบตายเหนื่อยเราเหนื่อยเกินจริงแล้วก็ได้อะไรมาซึ่งลมๆแล้แงๆถ้าเรามีสติขึ้นมาเรารู้ทันจิตใจของเรานี่มันแค่ความรู้สึกที่มันเกิดขึ้นชั่วครั้งชั่วคราวพอเห็นความอยากไปกินข้าวไกลๆผุดขึ้นมาถ้าเราสักว่ารู้สักว่าดูความอยากนี้จะต้องดับถ้าสติตัวจริงเกิดอากุศลจะต้องดับทันทีเลย ทีนี้พออกุศลดับไปแล้วควรจะไปกินหรือไม่กินใช้เหตุผลแล้วสมควรไปก็ไป